2. กตาปติวาระวาระว่าด้วยต้องอาบัตเท่าไหร่ 277. ถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตข้อที่หนึ่งภิกษุต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตข้อที่หนึ่งภิกษุต้องอาบัตห้าอย่างคือ 1.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 ด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตข้อที่หนึ่งภิกษุต้องอาบัตห้าอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไรบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไรบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรบรรดาอธิกรสอย่าง จัดเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือหนึ่งสีลวิบัตสองอาจารวิบัตบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตห้ากองคือ 1. กองอาบัตสังคาทิเศษสอกองอาบัตทุลัจใจสามกองอาบัตปาจิตตีสี 4. กองอาบัตปาติเทสนิยะหกองอาบัตทุกกฏบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายมิใช่เกิดทางวาจามิใช่เกิดทางจิต บรรดาอธิกร4สี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างประงรับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สั ม, มุขาวินนย 2. ปติญญาตกรณะ 3. สัมสมุขาวินัยและตินวัฏฐารกะ278ถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัติข้อที่สอง ภิกษุต้องอาบัตเท่าไรตอบด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตข้อที่สองภิกษุต้องอาบัตสีอย่างคือ 1. ภิกษุมีความสําคัญว่าควรสั่งว่าจงสร้างกุดีให้เราผู้รับคําสั่งสร้างกุดีให้ภิกษุนั้นซึ่งสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตราย ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ยังเหลืออิดก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัตทุลจใจ 3. อิดก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษสภิกษุมีความสำคัญว่าควรสอนอนุปสัมบันให้กล่าวทมแข่งกันเป็นบทบทต้องอาบัตปาจิตตี ด้วยสมุทฐานแห่งอาบัตข้อที่2ภิกษสุต้องอาบัตร4อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหร่ละบรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติ2อย่างคือ 1. ศีลวิบัต สอาจาระวิบัติบรรดากองอาบัติ7กองจัดเข้ากองอาบัติ4กองคือ 1. กองอาบัติสังขารทิเศษสอกองอาบัติทุนละใจสามกองอาบัติปาจิตตีสี 4. กองอาบัติทุกกฏบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ เกิดทางวาจามิใช่เกิดทางกายมิใช่เกิดทางจิตบรรดาอธิกร4สี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็อย่างระงับด้วยสมถะสมอย่างคือ 1. สัมมุขาวิไนัย 2. ปฏิญญาตกรณะ 3. สัมมุขาวิไนและตินวัฏฐากะ สอาถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตข้อที่สามภิกษุต้องอาบัตเท่าไรตอบด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตข้อที่สภิกษุต้องอาบัต5อย่างคือ 1. ภิกษุมีความสำคัญว่าควรสร้างกูดีซึ่งสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดมีอันตรายไม่มีบริเวณโดยรอบ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 ภิกษุมีความสําคัญว่าควรไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการฉันอยู่ต้องอาบัตปาติเทสนิยะด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตข้อที่สภิกษุต้องอาบัตห้อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ละระงับด้วยสมถะเท่าไหร่บรรดาสมถะเจ็ดอย่าง ตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติ2อย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาระวิบัตบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัติ5กองคือ 1. กองอาบัตสังขารทิเศตรสอกองอาบัตทุนละใจสามกองอาบัตปาจิตตีสี4 กองอาบัติปาติเทศนิยะ 5. กองอาบัติทุกกฎบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับวาจามิใช่เกิดทางจิตบรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถฏฐเจอย่างระงับด้วยสมัฏฐสามอย่างคือ 1>, 1. สัมมุขาวินัย 2. ปติญญาตการณะ 3. สัมมุขาวินันและตินวัฏฐารกะ 280. ถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัติข้อที่4ภิกษุต้องอาบัติเท่าไรตอบด้วยสมุดฐานแห่งอาบัติข้อที่4ภิกษุต้องอาบัติอย่างคือ 1. ภิกษุเสพเมถุนธรรมต้องอาบัติปาราชิก 2. ภิกษุมีความสำคัญว่าไม่ควรสร้างกุฏิด้วยการขอเอาเองซึ่งสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดมีอันตรายไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 3. ยังเหลืออิกอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัตทุลจัย อิด ก, ก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษ 5. ภิกษสุมีความสำคัญว่าไม่ควรฉันโภชนะในเวลาวิการต้องอาบัตปาจิตตีหกพิสุมีความสำคัญว่าไม่ควรรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือภิกสุณีที่ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้านด้วยมือของตนมาฉัน ต้องอาบัตปาติเทสนียะด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตข้อที่4ภิกษุต้องอาบัต6อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสอย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหร่ละบรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้น บรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาระวิบัติบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัติ6กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังฆาทิเศษสากองอาบัตถุลจัย 4. กองอาบัตปาจิตตี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 1>, 1สัมมุขาวิไนย 2. ปฏิญญาตการณะ 3. สัมมุขาวินัยและตินวัฏฐารกะ281ถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัติข้อที่5ภิกษุต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบด้วยสมุดฐานแห่งอาบัติข้อที่5ภิกษุต้องอาบัติหอย่างคือ 1.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 สร้างเกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 3. ยังเหลืออิดอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัตทุละใจ 4. อิดก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษ 5. ภิกษุมีความสำคัญว่าไม่ควร สอนอนุปสัสมบันิให้กล่าวทำแข่งกันเป็นบทบทต้องอาบัตปาจิตตี 6. ภิกษุไม่ต้องการจะด่าไม่ต้องการจะบพระมาทไม่ต้องการจะทำให้เก้อเขินต้องการจะเล่นกล่าวกับอุปสมบันชาติกาเนิดต่ำด้วยถ้อยคําบ่งถึงชาติกาเนิดต่ำต้องอาบัตทุพภาสิท ด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตข้อที่5ภิกษุต้องอาบัตห6อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหร่ละบรรดาสมถะ7อย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติ2อย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจารวิบัติบรรดากองอาบัติ7กองจัดเข้ากองอาบัติ6กองคือ 1. กองอาบัติปาราชิก 2. กองอาบัติสังขารทิเศษสกองอาบัติทุลจัย 4. กองอาบัติปาจิตตี 5. กองอาบัติทุกกฎ 6. กองอาบัตทุพภาสิทธ์บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกายบรรดาอธิกรณสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์บรรดาสมถะเจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. ส ม, มุขาวินยัย 2. ปติญญาตการะ 3. สามมุขาวิไนและตินวัฏฐารกะ282ถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัติข้อที่หกิกสุต้องอาบัติเท่าไรตอบด้วยสมุดฐานแห่งอาบัติข้อที่หกิกสุต้องอาบัติหกอย่างคือ 1. ภิกสุชวนกันไปลักทรัพย์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 ต้องอาบัตสังคาทิเศษ 5. ภิสษุมีความสำคัญว่าไม่ควรออกปากขอโภชนะอันประนีตมาเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉันต้องอาบัตปาจิตตี 6. ภิสษุมีความสำคัญว่าไม่ควรไม่ห้ามภิกสุนีผู้คอยบงการฉันอยู่ต้องอาบัตปาติเทศนิยะ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 บรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศ่ีระวิบัติออาจาระวิบัติบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตห6กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังคาทิเศษสามกองอาบัตทุลใจสี่กองอาบัตปาจิตตีห้ากองอาบัตปาติเทสนียะหกกองอาบัตทุกกฎบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต บรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขาวินัย 2. ปฏิญญาตะกรณะ 3. สัมมุขาวินันและตินนวัตถาร ก, กระกตาปฏิวาระแห่งสมุทฐานะวาระแห่งอาบัตห6ที่สอง จบ